แตนทองห้องเหมือนก็บพ่เตียนเอาลูกปให้ด AH ูพระอาภีสอนว่าลงเอาลูก็ปให้ดูผมไม่เาลยก็รูกนี่เป็นลูกเหรอลกเป็นไหยเด้ไห่เป็นมันพูดไป็นไหพปดได้เป็นมันสุก็นไหมกไปเป็นมันทุกข์ป็ไทกมันเป็นเหที่มันสุกมันทุกข์มันอย่างท่านอยากให้ลูกจากลูกนานผก็จะให้คิดกไม่เอา มันก็ โ, กโล่ว่าล่อหลวงพ่ออยากให้โล่อันนี้อยากให้คิดเา่าโอ้ตัวสพพกตัวที่ดดเดินไปเดินมาไม่ลงมันจะคิดเต่าใช่มันก็ง่ายแล้ยปะเราก็ไม่มักนายย่ายังไงถ้าจะไปจำเอาถ้าไปคิดหามันก็ได้เอ อ, เ, อ, อเข้าใจความเข้าใจอันนั้นทำให้ประสบพวกเห็ุทำให้เป็นยัไงนนอนหนึ่งเอาละ อาคอยก่อนมาทำอันนั้นเป็นเรื่องมาทำมาดูมันก็รู้ได้เข้าใจได้ผมไปสอนผมก็ไม่ต้องทำเลยนะผมก็บอกยก่อยเงินอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวอย่อยางนมีลูกไม่นาเห็นไหมทำการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเคลื่อนไหวย่เนี่ยลูกยุ่งนี่นำย่นี่นยดูดูตัวเนี่ยก บางคนก็ไปคิดเอาซะคิดจนปวดหัวไม่ต้องคิดทำไปไม่รู้อย่างนี้ทำไมมีอะไรที่เราอยู่ร่วมกันนอกจากการทำให้ดู่ให้เห็นปวดให้ฟังบางอย่างไม่ใช่คำพูดการกับทำ พก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การกระทำเราเป็นเรื่องหนังบางอย่างขังสอนในพูดไม่ได้ไม่มีคำพูดไม่มีภาษาคำพูดเป็นสมมุติเห็นว่าทุกพูดหลื่งทุกเรื่สมมมติไทยเรื่องโลดเรื่องมัดไม่ใช่สมพูดทุกคนต้องสัมผัส พกมันเป็นยังไงใกรสัมผเป็นการสัมผัสทางกายทางใจโลดมันนการสัมผัสโปรดในถูกให้เลกกุศลอกุศลขอโทษในถูก้องสัมผัสเอากุศลโการฉลาดฉลาดไหมวันหนึ่งวันหนึ่ง เร า, า, าเราลดลดอทุกข์ลาดเปลี่ยนแปลงความผิดให้เป็นความถูกอกุศลอกุศลคือโง่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งเกิดทุกข์มันเลยว่าอกุศลคือไม่รู้อะไรมันก็รั บ, บหมด สุกเอาทุขกขเอาเราพอหมดสิ่งเหล่านี้ต้องมีสติต้องมีสติดูดีๆหาที่เราก็คือการสร้างกติทกาไปหาถ้าไม่มีสติมันจะไม่เห็นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเราคนตาบอดไปหาสิ่งของหาเท่าไหร่มันก็ไม่เห็น ต้องเมตต า, าต้องเมตตาในดวงตาตาในคือสติคือสมาชัญญะเป็นดวงตาภายในเลิอนตาเป็นดูดูกายมีสติดูเป็นหน้ารอบเป็นดวงตารอบพันตาพันดวงมาทางไหนก็รู้โดยเฉพาะความคิดเนี่ย ถ้าไม่มีตาที่คมจริงๆมันจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่ามันเกิดมามันเป็นตัวเป็นตนไปเลยมันเข้ากันได้ดีไปคิดก็มาก็เข้ากันได้เลยคิดอะไรก็เป็นตัวเป็นตนไปเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกั น, ปนไปเลยถ้าเราดูไม่ดีมันก็เชื่อโลก ถ้าคนไม่รู้อะนึกว่าลกตับก็เป็นตับหลกอะไรก็เป็นอะไรเลยถ้ารู้จากเยื่อเก็เห็นหมอที่เขาเรียนรู้มันทั้งที่ไม่มีตัวไม่ต้นไม่มีอะไรมากัดมาขบเข้าไปเลยโดยเฉพาะความคิดเนี่ยโดยดี่ยมันสนุกเห็นแต่เราไม่เห็นกับเป็นอะไรกับมัน จับเราเรามันหิ้วเราไปันไปเกิดเป็นอารมณ์เป็นสุพเป็นทุกข์เป็นรักเป็นชัง่งเป็นขีเล็กตะนาลากะเอาไปหมดเลยหิ้วได้หมดเลยยึดหมดเลยจับกายมาใช่จับใจมาใช่จับตาจับหัวมาใช่ไม่จะนอนเดี๋ยวก็ต้องบังคับให้ลุกนอนก็ไม่หลักถ้ามันคิด คนไม่เห็นอยู่กับความคิดจะไม่เห็นความคิดคนไม่ได้ดูไปลงไปวางจิต ว, วต่ว่าเอกมุวรรเนียมนมีทั้งนั้นแหละในโลกตัวเองไม่เห็นเป็นอะไรกันได้นนคนโผวทข้างล่างดกว่าเขาไปไปถึงลงไปวางพอลาโล ก, กับวี่ลงไปกระโดดอยู่ลาน้า ก็าปล่อยใมันทำไปคนั้องมองโรงพาบาที่ไหนั่งจะดุกันคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ลูอะไรทัอะไรไม่เป็นพ่อแม่กันนะพกันนคขดอยู่ลบอยู่อ่าชัดๆก็คือคนขับรถตามมาหาเนาะ ออกมาออกนี้ไปทำตามกันหมดตอนทีน่หมอจะขีดจานโดดนีตันดีเลยเพาหมอแทงเข็มงหญโดดวิ่งีใจตามก็ไม่ได้หรอัน่ะที่หน้าที่หลังร่องอ่ากเป็นรถกลับบ้านเรา จ, จะไปให้หมอ ยังเอาไว้ยังไงจะให้หมอคีดไปปรึษาหมอเพรา่าทีวิธีเดียวก็ต้องเอาตำรวจมาเอาตำรวจมาจับมันแล้วก็บังคับมันคีดยาให้มันเพราะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องแต่ิว่าจะค่อยๆโลกก็เลยเอายามาใส่หลอกให้ไปคีดคู่สารสกุลทำมาใส่หวานถ้ามันไม่ได้จริงๆใจจะให้บังคับออก มันหลายอยา่าก็เกิดจากนี่ทั้งนั้นนะผมตัวไม่ได้ดูตัวไม่เป็นไม่ได้เห็นหบางคนที่ไปเขาวางไม่ได้โลกก็จับแขนอยู่บางทีก็มีปัญญาก็จับแขนวางไม่ได้จะวางก็ไปบางคนก็ใส่โคมหัวไว้ดูได้ อาลพวาดอยากอาจจะมาเจริญสติดูมันได้ดีให้ดูตัวเองมันจะมาให้เห็นโดยเฉความคิดเนะี่ยเห็นความคิดเนี่ยโอ้ยจะว่ามันมใช้ชนะอำนาจหน่ของชีวิต เป็นความคิดเนี่ยเป็นชัยชนะที่ภาคเป็นสิ่งที่ภาคโฟมใจเป็นความสําเร็จสั่นถึงที่น่าภาคโฟมใจที่สุดเราสร้างบ้านได้เราไม่ีเงินมีทองเราทําอะไรที่สําเร็จสั้งหมดยิ่งใหญ่เท่ากับเห็นความคิดตัวเองมันปรตกาดเป็นอิสระมันไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันเห็นสิ่งที่ มันเี้ยใหญ่นก็ว่ามันการเป็นอิสราพมันลดตอกมาได้มันดูดีๆนอนดูนั่งดูแต่ว่าดูกายแล้วเนี่ยแหละพยายามที่จะดูกายไปแล้วมันมนิังไม่สติอยู่มันจึงจะไปเห็นความคิดพอเห็นความคิดน่ ทุกอย่างก็เป็นอิสระเป็นอิสระภาพแต่ก่อนเราไม่รู้มันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติแต่กขาความคิดถึง น, น, น, นี้คิดขึ้นมาแล้วโกรธคิดขึ้นมาแล้วโลภคิดขึ้นมาแล้วหลงคิดขึ้นมาแล้วหลับคิดขึ้นมาแล้วชังคิดขึ้นมาแล้วเกิดกิเลสตัณหามาค่ <c oughs> แล้วนอนก็ไม่ให้นอน พอหเห็นแล้เออคิจฉะเต็มทีบางยูเหมือนเดินไปมันได้เหยียบพื้นดินเลยปรากฏการมันกันเลอยตัวเป็นกาลังหนึตาคิดาาตาลังหนึตาตอนนี้เห็นเราเองไม่ใช่คิดถา้าคิดถาาไม่มีทางต้องมีสติต้องมีสติตสตจะไปคิดถาาต้องให้ดี กาคิดกับการคิดาหาในกับการดูมันต่างกันอยากพิงไปสนใจความคิดหามันจะเป็นยังไงนัน่นพูให้ฟังคนไม่พูดห้ฟังก็ไปคิดหาเอาคิดเราก็เกิดการตรงมแต่งเป็นกินตยานไปเลยนักก็รมฐานกลายเป็นนักกินตยานเดก็มีมาก ทำอะไรการกระทําไปมีสติมีสติสร้างสติไปหาวิธีเสียจลูบตัวสิ่งที่ควรลูบให้มันเป็นระเบียบจะลูบเรื่องกายเคลื่อนไหวไปมาก็พยายามที่จะรูบเรื่องกายันเดินมันดับหน้ามันตัดหน้าแล้วก็ไม่เอาละก็จะต้องมาลูบเรื่องกายบางทีมันมี <c oughs> รสชาติที่นอกเกีจากการโดกายไป มันชวนให้ไปอยากไปอยาไปไปเพียงพยายามที่จะลูเรื่องกายไปก่อนชั่วโมงนี้นาทีนี้เอาเรื่องกายไปก่อนลูบให้มันเป็นระเบียบให้มันเฉพาะเรื่องให้มันชัดเจนเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่จะคิดก็คิดเพิหน่อยคิดแล้วก็กลับมาได้อย่าไปคิดตเตลิดเปิดเปิงไปบางที่มันมาให้คิดมาให้ตัวมาหเห็นก็ทําให้มันแจ้งทักอือเร่าใจมัน บางทีมันก็ชวนให้คิดจำเป็นที่จะต้องคิดจาเป็นที่ต้องคิดฝันแล้วก็ดูมันไม่ใช่หลับหูหลับตาไม่ลูกไม่ขี้วางโอกาสวางอย่างวางอย่างก็ปฏิเสธไปเรื่นี่ให้เราทําอย่างนั้นมันจึงจะเจริญเติบโตการเจริญเติบโตมันต้องโ ต, โตโอเองจเจริญเราเองไม่เคยคนอื่นไม่เคยคิดเอาไม่เคย ่าไม่รู้ไม่พี่ไม่ดูไม่เห็นเขาจะต้องรู้จักก็รู้จักมันบางทีมันพานาให้รู้บางอย่างเห็นเวทนาความคิดทำมาล้มที่มันเกิดขึ้นมันพานาให้เรารู้เราเรื่ก็ค่อยใจมันเห็นมันในบางโอกาสถ้าไม่มีโอกาสก็อย่าไปคิดถนะ้ามันต้องคิดถนะ้ามัเกิดขึ้นมา มันเกิดการพบเห็นขึ้นมาผู้ที่เจริญกติปฐานได้คิดถ้าดูดีๆฟังดีๆเห็นกายในกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันเกิดการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นเข้าไปพอขาที่จะห์เห็นก็เห็นเห็นเหล่าก็ต้องให้แจ้งเข้าใจแล้วก็กลับมาที่เราจะต้อง สร้างสิ่งที่เราต้องสร้างคือใ น, นสติโลกล้ายเป็นหลักเป็นหลักพูทธโลกล้ายเลยทําให้มากไปเริ่มให้มากเขาไว้มันหลดไปก็กลับมาให้ได้การกลับมาเรื่อยเป็นศินละปะแต่ว่าการไปเราเป็นความเสื่อมเป็นหายินะแต่การกลับมาเป็นวัฒนะเรียกว่าปัตติปัติมัดเนี่ย ปฏิบั ต, ติก็คือการกลับมาการแก้การเปลี่ยนการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงปฏิปฏิบัติวัฒนะวัฒนะทําให้มากจเจริญให้มากภาวิตาภาุลีกตาสังวัตตันตุทําให้มากจเจริญให้มากมีสติให้มากทําเอาทําเอาทําเอามันก็ยังมีโอกาสเจริญเจริญในทาง จเิเจริญในทางปัญญาจเจริญในทางคุณธรรมคุณภาพอ <c oughs> เอาจเจริญมาไว้ก็ได้นั่นเหมืนกับร่างกายของราที่เราจเจริญมาถึงตอนนี้ตอนเ้าก็เป็นเด็กไม่บอกอเรามีโอกาสได้กินนมการเจริญเติบโตจเจริญเราเองนะไม่ใช่มีใครทำให้ให้ป้อนข้าวเราก็กินข้าว แล้วก็เกนเลาเองเ้าก็โตเองมีงใครที่จะโตให้เราได้ไม่มีทางแล้วก็การเกิดมีใครที่จะเกิดให้เราได้จะเป็นเด็กหัดเที่ยว ห, หัดเกิดหัดโตมันก็โตขึ้นหน่อยการเจริญเติบโตของรูปของการอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี วันหนึ่งกินสามมื้อสี่มื้อมื้อเพราะว่าการเจริญเติบโตในทางกิตติยางในทางปัญญาตัวไวก็ได้เจ็ดหนึ่งวันถึงเจ็ดวันก็ได้อย่างไวอย่างช้อหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนะยังกลางหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนอย่างช้าที่สุดหนึ่งปีถึงเจ็ดปีเป็นทางกระทางโลกตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำได้จริงๆอย่านี้ ไม่ใช่ทำไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือมีกำลั ง, งใจเอาไว้มันก็เพิ่มแล้สร้างเอาสร้างเอาสร้างเอาอะไเกิดขึ้นมาก็เห็นเห็นแล้วก็กลับมาสร้างสติกำหนดรูปเอารูปเอานความรู้มันเจริญในความรูม้ ม, มันใหญ่โตจนเป็นมหาลู่ในหน้าที่ของเรานะเราทำตั้ปแตไปคิดเห็นแล คิเห็นผิดคิดเห็นถูกถูกก่อนถูกเปนก่อนผิดไปเจะเฝ้าความคิดดูดีๆดูดีๆเวลานอนมันจะหาอะไรมาคิดได้โอกาสยี่ไ่ได้โอกาสมาก็เยี่ยนเราคางทีบาทีมันก็มีเหตุปัจจัย กายไม่จะหมกเวียนเรื่องไม่กายไม่หลบไม่ลดม่กินมเสียงนี่ก็วัตถุกรรมมงคลวัตถุอะไรต่างๆที่มันเกิดวัตถุอาการที่มันจะทำให้เราหลงก็นไหมบางทีมันทำให้เราโู้ก็ได้เ้ามีสติมันจะทาให้เราลุกอารมณ์ขาดสติจะทำให้เราล้มสิง่านาี้ อ่าศึกษาไปศึกษาไปมันก็ยอ่อเข้ามายอ่อเข้ามาเป็นเหลือคำมือเดียวถ้าเรา ม, มีสติถ้ามีไม่มีสติก็โอ้ยเป็นกับเป็นกันลึกมาผมไม่เต็มอย่างตานี่ยก็เรียกว่าสมด ต, ตาหัวจมูกลรียงกายใจเป็นโลกเป็นสมดที่ไม่รู้จะกินไ่รู้จะพอ ไม่รู้จะเป็น <c oughs> เหมือนธรรมดาที่บุญเรื่องๆๆบุญเงบากเป็นกับเป็นกันกับหนึ่งกันหนึ่งเท่าไร่ถ้าเป็นสระกวาง้อยโยชดพลึกล้อยโยชนดละยาวร้อยโยดสิบปีจะมีเทวดาเอ า, มาเมล็ดนออามาถมลงโยนลงเม็ดนั้นจนสระลอยโยดหนัก ความอยอดหรือก็ยยอดเต็มมากขนลึกนก็เปรียบเทียบเหมือนกับความคิดบางอย่างความตางอยสงบเรื่องกายใจแล้วพอมาจะโนถึงจะโยนลงโยนลงยนลงโยนลงมันแ่มันก็จะเป็นกลับขึงมาแล้วเต็มขึ้นมาแล้วเต็มขึ้นมามีความลูกชิดมีความลึกชิด ตามันก่อมันลึกหมกนลึกมันเป็นสมุดถัดสัพพติพรมิตโยสมุดตามันเป็นสมุดหมันเป็นสมุดมันลึกไม่อึดม่นคิดกัคิดอะไรก็ได้คิดเรื่องเก่าอยู่เท่าไรก็ได้คิดแล้วคิดดีโกแล้วโกรธดีเหมือนเดิมอ่ะผีพบผีกันเรียนไหวใจเกิด อนี้สติมันก็เต็มเต็มพอเต็มเรียบเป็นเป็นอะไรเรียบเป็นอันนี้สติมันก็ถรัอุ ป, ปมามันก็จิตของเราในเรื่องที่ตมาผว่าสันตติเกิดขึ้นทันทะเลไหลไปความคิดของคนสันตติเกิดขึ้นมา อันทลก็ไหลไปอันกระน้ำที่มันไหลอันเก่าไหลไปอันใหม่ไหลามาแทนจิตของเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสติมันก็ทิ่งผลทรายก็สอบทรายโยนลงโยนลงโยนล ง, นลงไม่ต้องกังลนะแต่เต็มไม่เต็มไม่รู้แต่ว่าโยนลงว่าโยนลงว่าโยนเลย ลูเอาลู่เอาลูเอาลู่อามันจะเําสันติมันจะเป็นทันทะเลเรื่องของมันเองที่เราคือลูเอาลู่เอาหมือก็ยอมก็สอบสายลงไปในน้ำที่มันไหลเรียกว่าทันทาเลนั่นก็จะเห็นมีโอกาสที่จะกั้นเอากั้นเอาไว้เป็นเขื่อนทำให้ม ต้องไหลอยู่นิ่งเราเรียกว่าสมาธิคือเฉพาะแล้วนะที่เราคือทิ่งกระสอบายลงไปการกําหนดกายเคลื่อ น, นไหวเนี่ยโล้ลเอาเรืเอ่องพอมันลงมกมากลงมากมากหน้าก็ไม่มีโอกาสที่มันไหลก็ไม่มีโอกาสก็หยุดพอ ม, มันหยุดมันก็สแสดงถึงความเต็มเตลจานไมน เอ่อเป็นปกาาติธรรมชานิขึ้นมาทําให้เกิดเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจะผิดสินผิดให้สมาธิปัญญาหล่อมแล้วสินหล่อมแล้วสมาธิหล่อมแล้วมันก็เงยขึ้ก ม, มาเราจะมีการเจริญสติหลายอย่างที่มันมีอันสม ไม่ต้องไปนั่งสำมรวมไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไงี่ไขมีสติมีสติออด้วยสมัธิมันจะเป็นการสำมรวมเองเป็นบริสุท ธ, ธิสิทธิ์สำมรวมอายาตนบริสุทธิสิทธิ์มันจะสำมรวมลงเอง ตางหูจะหมกเลิ้ยงกายใจมันจะสํารวมนงเองบริสุทธิ์ุขมันเป็นศีลที่บริสุทธิน์นโปโมกข์มันจยกออกมาเรื่องข้อที่พระเจ้าห้ามทาตามข้อที่พระองค์อนุญาตปันญาสติก็ไปทำนองนั้นนะริสุทธิสเราจํารวตางหูจะหมอกล่นกายใจปัญญาสติท้งวิสติต เงี้ยมับฟังก็ยังเห็นผมไม่ม้ฟังก็ยังได้ยินนมีเสียงก็ได้ยินอมันเป็นสัญญาการเก่าที่เคยเล่นที่เคยสนุกนั่งอยู่ในท่องไนเหงก็ไม่จับวมหรอกมันเป็นปีปากดการเป็นความโง่ในนัน้นแต่ถ้ามีนกระถูนให้ปีปากดการมันจะมีา ก, การปองแต่งของมัน พอมัคิดขึ้นงาอะไรก็รู้ทังทีไม่ทำที่ผิดหวังทำให่เป็นถ้าเปนไปกับคนที่กบหรือว่าทะลุแล้วด่างแล้วพ่อยแล้วพามันคิดขึ้นมาเรารู้สึกมันก็เราป้องกันไม่เสียหายเราส้องบ้านสิงของไม่เสียหายไม่หนีบ้านเรามีสติป้องกันเพราะฉะนั้นวิธีที่เราทํำอย่างนี้ มันจะเรื่อที่หน้าภาพคงใจที่สุดฟินโดยดีใส่ใ จ, ใจทาโดยดีไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยอดว่าการเจริญสติการปฏิบัติธรรมผมเคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นมงกุฎของธรรมขอสิทธการปฏิบัติธรรมเรื่องของการเจริญสติเป็นงมงกุฎของธรรมการเจริญสติอย่างเดียวที่พูดทุกวันเกี่ยวกับการรักษาสิ้นเป็นยวกัรกางสมาธิเป็นการ ส, สาร้ารงปัญญา จะเป็นมักเป็นนโลดเป็นกุศลอะไรก็รมักไม่ผิดเป็นสติไม่ผิดเลยสงสุดของฌานก็คือสติคุณอาไว้ถ้าเอาสติก็ไม่ได้เป็นฌานที่เสื่อมไปไม่ถึงมักถหงผลเอาตัวหนีรอด กตจนัการเจริญสติเนี่ยเพราว่าพอใจแล้วพวกเราให้โอกาสสมั น, นมากๆอสร็จทำเอา้านเอาดูเอาอยู่ที่หนก็ไม่ได้อยู่กับใครแลอยู่กับสติไปไหนไม่ไปคนเดียวม่คู่ป้องคู่ชีวิตของเราแต่งานกับสติแต่งานกับทาเคู่อชีวิตเพื่อธรนมะตั เหมือนกับพระพโคตรงว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นเหมือนกับอยู่ในถิ่นของวิดาทำาม้สติก่อไม่ต้องไปคิดไม่ต้องหลุดหลงไปทางอื่นใส่ใจลองไสสร้างลองไปแล้วก็เกิดการโยนยับนะครับ ล, ลองว่าพระพุทธเจ้าไม่หลอกเรา จะไปเชื่อใครต้องเชื่อตัวเองทำดูสัมผัสดูใช้ดูจะไปใช่ความหลงอย่าไปใช่ความโกรธอย่าไปใช่ความคิดใช้สติใช้ความรู้สึกตัวไปประกอบไปกำกับกับสิ่งใดได้ทั้งนั้นสติมันโกดธก็ ม, มีสติมันหลงก็มีสติมันทุกข์ก็มีสติ มันรักมันชังมันแล้ก็มีสติมันเจ็บมันปวดก็มีสติมันหล่นมันหนาวก็มีสติลองดูนีงเรามันเป็นมงกุฎของธรรมนะเพราะวันนี้เราโสโซกันฟังฟังปากเปล่ากันปลุกกันปลุกกันในสนามในเวทีของ กาเพิ่พ็นสมรรถนะการตั้งาก เวาด้านชีวิตจิตใจของเรานะ่ะมันยิ่งหลายๆอ ย, ย, ย่าดูกระเสียบเทียบเยยสมือนกับการเดินทาง น, นนะแต่เวลาอะไรที่มันหลงมันก็ทำให้เรากะตุน้นเรนหาผลขวายที่จะให้พบผลทางแต่คราใดที่ค้นพบทางไปของถูก ถูกทางถูกเป้าหมายเป็นเท่า น, นั้นแต่ความหลงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคสาหรับผู้เดินทางแต่เป็นบทเรียนที่ดีด้วยการเดินทางทางกิจเนี่ยเห็นผิดต่างเหลืองเห็นถูกเห็นความทุกข์ต่างเหลืองเห็นความไม่ทุกข์สำหรับผู้มีความภาคเทียนในอย่างมีเห็นการปฏิบัติ โดยเฉพาะการโครงการพัฒนาจิตใจเนะี่ยยิ่งมีสารสลับซ้อนพอสมควรบางทีเราก็ไปค้นหาว่าจิตคิดจิตมันเป็นอย่างไรความคิดเป็นอย่างไรความถูกความผิมดเป็นอย่างไรอย่าไปคน้นหา ที่ีสุดตามที่ขอทูดตามตามความรู้สึๆๆสกโดยเท่าการปฏิบัติทมการสลาดาทางกิจก็ยกให้หลวงปู่เทียนได้แต่ห อ, อบอะไรใส่ทีๆๆกนี้เอาไว้ได้ยินคำพูดหลวงปู่เทียนว่า ใูป ก, กายเคลื่อนไหวให้เห็นรูปเห็นนามให้เห็นรูปทำเห็นนามทำเราไม่เคยไม่เคยศึกษาเราจะไปบงังคับจิตจะไปเอาอะไรอะไรเยอะแยะจะหมดเลยตลอดปุถีนท่านบอกว่าให้เห็นรูปเห็นนามนี่การเคลื่อนไหวอยู่นี่การยกมืออยู่นี่ มันเป็นโลกูกมันเป็นนามอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เห็นอย่างอื่เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นโลกูกเป็นนามอยา่างไรลูกทํานามทำอยา่ายงไรแล้วท่านก็สอนว่าพลิกมือขึ้นดูเสีลูกไหมยกมือขึ้นดูเสีลูกไหมวางมือลงดูเสีลูกไหมวางมือลงดูเสีลูกไหมแล้วก็ตอบว่าลูกลูกเอานะขยันหน่อยนะลูกแบบนี้